ถ้าทำคำสอนของหลวงพ่อสําปราญธรรมทุโลเทศก่อนชันเช้าวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2550ณวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นขอให้ญาติโยมเราทุกคนจงเจริญสติ สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกของตัวเราให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะหนึ่งเสียก่อนอย่างอื่นหยุดเอาไว้ดับความคิดดับความกังวลดับความฟุง้งซ่านต่างๆเอาไว้ให้หมดแล้วก็สร้างความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกของเราอันนี้เป็นการเจริญสติให้รู้กายอยู่ปัจจุบันเรียกว่า อานาปานาสติเราพยายามฝึกตรงนี้ให้เกิดความเคยชินไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความรู้สึกรับรู้รับรู้ส่วนไหนของกายก็ได้ถ้าเรามีสติรู้กายรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ลมหายใจเข้าออก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 เราก็รู้อยู่ว่าเราคิดจิตคิดเราก็รู้เราก็ทําตามความคิดนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตส่งออกไปข้างนอกบางทีขันห้าถ้าพูดตามภาษาธรรมเขาเรียกว่าอาการของขันห้าซึ่งผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเราขาดการสร้างสติ ก็ยากที่จะเข้าใจตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันที่ต่อเนื่องเราก็จะเห็นว่าอาการของขันท่ากับตัวจิตจริงๆแล้วเป็นคนละส่วนกันซึ่งจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเข้าไปรวมแล้วเราถึงรู้ว่าเราคิดเราถึงรู้ว่าเราทำนั่นแหละหลงอยู่ในความคิดตรงนั้นอยู่ หงอยู่ในอาการตรงนั้นอยู่อันนี้เป็นของละเอียดอ่อนมากทีเดียวจิตของเราเข้าไปร่วมกับความคิดจนเป็นตัวเดียวกันจนไปด้วยกันเราก็ทําตามความคิดทําตามอารมณ์ทั้งที่เรารู้รู้แต่การดับการแยกการสํารวจการตามดูการทําความเข้าใจยังไม่กระจ่างเราต้องพยายามหัดสังเกตสังเกตบ่อยๆ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 เปิดทางให้ความรู้ตัวก็จะตามเห็นสภาวะธรรมการเกิดการดับของขันธ์ห้าซึ่งเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความว่างเปล่าก็เข้ามาปรากฏเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าจิตของเราเข้าไปหลงเข้าไปรวมตรงนี้ทาให้เกิดอัตตาตัวตน นี่แหละโมห oh ะความหลงอย่างลุ่มลึกเราคลายตรงนี้ได้มาแยกตรงนี้ได้ถ้าเราขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมอีกเหมือนเดิมยิ่งหนักกว่าเก่าเราต้องพยายามตามทำความเข้าใจและก็รู้ลักษณะอาการของนิวรธรรมต่างๆทำความเข้าใจกับนิวรอย่างเช่น จิตของเรามีความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงขณะที่เราตื่นตัวอยู่นี้แหละเราก็พยายามดับเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทปองร้ายเราก็พยายามควบคุมแล้วก็ให้อภัยทานอาโหสิกรรมความระลึกรู้ตัวของเราพลังพ้งเผลอเราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาบ่อยๆ ของเรามีความลังเลมีความสงสัยมีความฟุ้งซ่านเราก็รู้จักดับใช้สมถะเข้าไปดับไม่ใช่ว่าไปนั่งสงบเงียบอย่างเดียวสมถะขณะที่จิตเกิดนั่นแหละเราพยายามดับเสียอยู่กับลมหายใจบ้างหรือจะเอาคำบริกรรมเข้าไปกำกับบ้างพยายามดับบ่อยๆดับบ่อยๆความรู้ตัวก็จะมากขึ้น จิตของเราก็จะช้าลงถ้าเราไม่ดับเราปล่อยให้เขาเกิดทางๆเที่รู้รู้กำลังเขาก็จะมากขึ้นเหมือนกับเอาอาหารให้กิเลสเราก็ต้องพยายามศึกษาดูให้ละเอียดเราอาจจะมองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยน้อยอยากจะเอาตั้งแต่ทาอยากจะได้ตั้งแต่ทำกลวจะไม่ได้คิดกลัวจะไม่มีความรู้กลัวจะไม่มีปัญญา เราพยายามคลายความหลงตามดูขันหละขันหและก็ดับความเกิดของจิตอีกด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้คิดหรอกเราดับความเกิดของจิตเราดับด้าระดับไหนหยุดด้าระดับไหนระดับปายระดับกลางระดับต้นเหตุตั้งแต่กำลังเริ่มก่อตัวเราก็พยายามดับเสียพอดับได้แล้วเขาก็จะนิ่ง นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเราก็หนุนกำลังสติเข้าไปคิดเข้าไปพิจารณาเขาเรียกว่าปัญญาจนเป็นอัตโนมัติในการตามดูตามทำความเข้าใจแล้วก็ละแล้วก็เอาไปใช้ปัญญาไฟสำรวจไฟดับไฟละไฟเกิดมันก็จะตามมาเรื่อยๆก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองเอาสร้างอันิสงส์ สร้างตบาบารมีแต่ละวันตื่นขึ้นมาเรามีความเสียสละเต็มเปี่ยมหรือไม่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกระตันยูกะตะเวทีเรามีความขยันหมั่นเพียรมองโลกในทางที่ดีคิดดีไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเปรียบกิเลสคนโน้นเสียเปรียบกิเลสคนนี้ถ้าเราชนะตัวเราแล้วเราก็จะชนะหมดแต่ส่วนมาก ไม่ค่อยอยากจะชนะตัวเราเองอยากจะไปเอาชนะตั้งแต่ภายนอกกันพยายามสร้างอนิสง์คนเราเกิดมาก็มีบุญอยู่แล้วถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างสะสมบุญต่อมาสร้างสะสมอนิสง์ต่ออย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีบุญทุกคนก็มีบุญกันทั้งนั้นแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนก็ได้ปฏิบัติธรรมกันมาด้วยปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละตั้งแต่ยังไม่เกิดเสียด้วยตั้งแต่พบก่อนๆแต่ยังไม่ถึงจุดหมายเท่านั้นเองคือยังละกิเลสไม่หมดยังทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หมดจดยังไม่ได้เท่านั้นเองเราก็ต้องพยายามการงานทุกวันการทาการทางานมีความรับผิดชอบผิดถูกชั่วดี มีความเสียสละมีความอดทนอดกลั้นผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวนั่นแหละคือตัวการปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมตุติอาจจะถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นของธรรมดาแต่การเจริญสติเข้าไปสำรวจการสร้างความรู้ตัวพวกเราไม่ค่อยจะทำได้ต่อเนื่องส่วนมากจะไม่ค่อยทำอาจจะทาบ้างกระปลิบกระปรอย ทำบ้างเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องกันได้สัก5นาทีไหม10นาทีไหมจนกลายเป็นชั่วโมงจนกลายเป็นวันวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเรามีความรู้สึกตัวต่อเนื่องกันสัก5นาทีไหมอันไหนมันมากกว่ากันให้เราวิเคราะห์พิจารณาดูไม่ใช่ว่าเราจะมาสร้างสติอย่างเดียว การเจริญสติถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ตามทําความเข้าใจได้เขาก็จะเป็นมหาสติของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องมาสร้างเขาตลอดเวลาหรอกต่อไปข้างหน้าเราหมั่นสร้างตั้งแต่ใหม่ๆเอาไปแยกแยะทําความเข้าใจแล้วก็ละสํารวจจิตของเราให้ได้ให้ต่อเนื่องกันให้ได้ต่อไปข้างหน้าสติปัญญาสมาธิ ความว่างเขาจะรักษาเราเองช่วงใหม่ๆสติไม่มีความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาจิตไม่สงบเราก็พยายามทาจิตของเราให้สงบจิตเกิดกิเลสเราก็พยายามละกิเลสขันห้าเข้ามาเราก็ตามทาความเข้าใจให้รู้ความจริงแล้วก็ละเสียนิวรธรรมต่างๆ เราก็ทำความเข้าใจแล้วก็ลาเสียต่อไปข้างหน้าเขาก็จะรักษาเราเองนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแต่เพียงอิริยาบถ ท, ทำไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ขาดอย่าให้พลั้งเผลอสติอย่าให้คลาดสายตาของสติปัญญาของเราไปได้จนเป็นอัตโนมัติจนไม่ได้ฝึกยืน เดินนั่งนอนจิตของเราก็จะอยู่ในความว่างความบริสุทธิ์รับรู้อยู่ในกายของเราถ้าเราสร้างความว่างจิตว่างจากการเกิดว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสเขาก็จะอยู่ในความว่างความว่างนั่นแหละคือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเราพยายามสร้างความว่างให้มีให้เกิดหรือว่าความว่างนั่นแหละ คือสมาธิความสงบความปกตินั่นแหละก็คือศีลศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญารอบรู้ในขันห้ารอบรู้ในกองสังขารแล้วก็รอบรู้ในโลกธรรมแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าเราจะเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีตั้งแต่รูปกับนามกายของเรา เราก็ดูแลรักษาทำความเข้าใจกับเขาเสียแล้วก็บริหารเขาให้ถูกทางเสียถึงเวลาแล้วเขาก็จะแตกดับของเขาเองนั่นแหละเพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็เดินเข้าไปหาความเสื่อมความสลายกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเดินเข้าไปหาตั้งแต่ความเจริญไม่ใช่ตั้งแต่วันเกิดนั่นแหละมันเสื่อม เสื่อมขึ้นกับเสื่อมลงถึงเวลาแล้วจะเอาอะไรมาผูกมัดมันไว้ก็ไม่อยู่มันต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็ทำความเข้าใจกับเขาให้เรียบร้อยเสียเราก็จะอยู่ดีมีความสุขอยู่กับสมมุติใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ไม่ให้สมมุติเข้าครอบงำรู้จักขยันหมั่นเพียรรู้จักหน้าที่ รู้จั ก, กรับผิดชอบต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อส่วนรวมต่อสังคมเราก็จะอยู่ดีมีความสุขไม่เห็นแก่ตัวก็พยายามกันนะพยายามฝักไฝกันให้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันเท่าที่เราจะอำนวยความสะดวกให้ได้เรามาอยู่ร่วมกันเรามีวิบากร่วมกันนั่นแหละ เราถึงได้มาอยู่ร่วมกันเป็นเครือญาติเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน<ม>ถ้าคนเราไม่มีวิบากร่วมกันก็ยากที่จะได้มาอยู่ร่วมกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันอย่าไปคิดอกติอย่าไปเพ่งโทษพยายามถ้ามีแล้วก็รีบกําจัดออกอยู่น้อยคนก็มีความสุข อยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขถ้าเราเข้าใจสถานที่ของเราก็พร้อมสิ่งแวดล้อมเราก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้สำหรับการประพฤติปฏิบัติทั้งคลารวาสญาติโยมก็มาช่วยกันมีอะไรก็ดูแลห้องซ้วมห้องน้ําก็พยายามเปิดน้ําใส่น้ําให้เต็มเดินเข้าไปดูห้องไหนสกปรก เราก็ทำความสะอาดเสียไม่ใช่ไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนถ้าคนเราคิดเสียว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองถ้าต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างไม่ทำอยู่คนเดียวก็สกรปรกอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามเป็นหน้าที่ของทุกคนที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอน ถนนหนทางตรงไหนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ทำเสียทําช่วยกันนั่นแหละกว่าจะได้มาเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมมันก็ต้องผ่านการผ่านเวลาผ่านความร่วมมือร่วมแรงของทุกคนหล่อหลอมช่วยกันทำหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงเสาหลักเป็นสะพานหลักให้ทุกคนได้มาอยู่ร่วมกัน ได้มาดูแลรักษาเป็นสมบัติของทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเรามาอาศัยสมมุติตรงนี้อยู่สักวันสักเวลาเราก็ต้องได้พลัดพรากจากกาันไม่ได้พลัดพรากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พลัดพรากจากกันตอนตายอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของธรรมชาติซึ่งมองด้วยตาเนื้อ ลึกลงไปเราก็มองด้วยตาสติตาปัญญาเห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ห้าแล้วก็ชำระสศาสางทำความเข้าใจรอบรู้ทั้งภายในรอบรู้ทั้งภายนอกไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ได้เก้อได้เขินไปอยู่ที่ไหนเราก็จะมีแต่ความองอาจมีแต่ความกล้าหาญ ร, รู้จักแก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเองมีความเข้มแข็งตลอดเวลาก็ต้องพยายามกัน